คทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการสรนสานิสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ็ดำเนินรายการโดยสันสานินาคมมาในห้วงเวลานี้จะขยายในส่วนที่สนทนากับท่านจานทร์เพีบูลขึ้นไปอีกนะคะเพื่อที่ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสที่จะฝึกสมาธิสะสมแต้มไปเรื่อยๆในตอนต้นของรายการแล้วก็จะได้ขยายความ ได้สบายมากยิ่งขึ้นสําหรับพระอาจารย์นะคะเราไปกราบนวันสงารท่านกันเลยค่ะนวัสกสารท่านค่ะเยี่ยมปานในช่วงต้นของรายการนะก็มาเจริญสมาธนะิโดยการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกในะห้ยใจเข้าเราก็ระลึกถึงลมหายใจรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจที่เกิดขึ้นด้านในโพรงจมูกในขณะที่เรารับรู้ถึงสัมผัส ข, ของลมหายใจนั้น จิตของเรานัจะมาอยู่กับลมหายใจในขณะที่จิตมาอยู่กับลมหายใจนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวินาทีนั้นก็คือสติจิตเป็นที่แล่นไปสู่สติเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราอยู่กับลมนั้นสติจึงเกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนี้ก็ให้ทําการพิจารณาในขณะที่ผ่านกลางวันนะผ่านจากกลางคืนมาถึงกลางวันในช่วงที่จะ ร, รุ่งรุ่งรุณในขณะนี้ผุ้รู้จให้พิจารณาอย่างนี้ว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากเช่นงูฉกเรามแมลงป่องต่อยเราหรือว่าตะขาบกัดเราหรือว่าเราอาจจะเดินพลาดล้มลงอาหารที่ไม่ย่อยหรือว่าน้ําดีกําำเริบเสหะ ก, กํำเริบหรือว่าธาตุลมกํำเริบหรือว่าพวกมนุษย์หรืออมนุษย์จะทาร้ายเรา ความตายก็จะมีแก่เรานั่นจะเป็นอันตรายของเราเธอพึงพิจารณาสืบไปต่อว่ามีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เรายังละไม่ได้แล้วจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะทำการละลงไปในคืนนี้แต่เธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นมีอยู่ เธพึงกระทําซึ่งฉันทะความเพียรความอุตสาหะความขมักขะเม่นสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันใยลุกโผงๆแล้วจะพึงกระทําฉันทะความเพียรความอุตสาหะ ควา ม, มากระหมักะเม่นสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือสีสันนั้นและถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีอยู่เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแหละตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลาย มรณาสติอันเธอเจริญทำไม่มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอันนี้สองใหญ่เป็นธรรมที่อย่างลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้เจริญฟังค่ะท่านฝั่งที่ครบคะ่ะท่านก็น่าจะได้ทําสมาธิไปพร้อมๆกับบทพุทโธจนะที่ท่านไพยบูรณ์ได้สาธยายประกอบขออนุญาตให้ท่านได้ สรุปในส่วนที่ความหมายมให้ท่านทั้งหลายได้ทราบชัดๆอีกหน่อยได้ไหมคะอาจาย่านอันนี้คือพูดถึงมรณสตินะคือการที่เราระลึกถึงความตายนะการระลึกถึงความตายซึ่งบางคนจะไปคิดว่าเอ้ยทำไมฉันต้องมาคิดว่าฉันจะตายฉันจะตายนะแต่บทเพียนชนะตรงนี้พระพุเจ้าอธิบายไว้ชัดเจนว่าจริงๆเนี่ยมันมีอยู่สองขั้นตอนนะขั้นตอนแรกเนี่ยเรา ตั้งแต่เราทำมาตอนแรกเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องอทำจิตให้เป็นสมาธิสกอร์ใช่ไหมมาทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยการระลึกรู้ถึงลงหมหายใจละเราก็มาพิจารณาซึ่งการพิจารณาตรงนี้ที่บอกว่ามี2อขั้นตอนนะคือส่วนแรกเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าไ อ, ไอ้ปัจจัยแห่งความตายของเราเนี่ยมันมีมากจริงๆนะนะบางทีเดินเดินไปหัวทิ่มตุม่มนะแล้วยิ่งเฉพาะตอนที่ผ่านจากกลางวันมากลางคืนหรือผ่านจากกลางคืนมากลางวันอย่างตอนนี้เช้าๆ เรฟังธรรมนี่พระอาทิตย์มันกำลังจะขึ้นในะช่วงนี้เป็นเวลาโผล่เพลย์เนี่ยเป็นจังหวะที่สัตว์ที่ล่าสัตว์ก็จะกลับรังของมันแตนะถ้าเป็นตอนกลางวันกลับเป็นกลางคืนสัตว์ที่ล่าสัตว์ก็จะออกมาจากรังของมันนะเป็นเวลาทีเ่เป็นอันตรายอุบัติเหตุก็จะเกิดช่วงนี้เยอะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเป็นเวลาที่อาจจะมีเหตุปัจจัยที่จะทาให้เราเสียชีวิตได้มาก เดินหกล้มบ้างถูกแมลงต่อยบ้างกัดบ้างถูกคนทำร้ายบ้างก็จะช่วงเวลาตรงนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจก็ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้นี่คือข้อที่1นึ่งค่ะพอเราทําความเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วขั้นตอนที่2ตรงนี้นที่พระเจ้าให้ทําคือดูิว่าหมในจิตของคุณเนี่ยมีสิ่งที่เป็นอกุศลหรือมีสิ่งที่เป็นกุศลอยู่หรือไม่นะแยกเป็นสองกรณีกรณีแรกถ้ามีอกุศลทํำยังไงรีบละโดยด่วนเลย เพราะว่าถ้าไม่งั้นคุณตายไปนี่ตายไปตอนนี้นี่ไปนู่นเลยนะนรถกำเนิดเดรจานเปรตวิสัยไม่ดีมากๆากนะี่รีบละรีบละอันนี้คือกรณีที่1แต่ถ้ากรณีที่2ไอ้กรณีที่1เนี่ยรีบละขนาดที่เรียกว่าคนที่ดับไฟที่กําลังไหม้ผมไหม้เสื้อผ้าอยู่ต้องรีบด่วนขนาดนั้น <Okay. S 1> จะไปกินข้าวไปดูทีวีขอโทรศัพท์ก่อนไม่ได้นะต้องกําจัดมันออกไปก่อนแล้วกรณีที่2ก็คือถ้าจิตของเราไม่มีอกุศลธรรม นะมีกุศลธรรมอยู่พระเจ้าก็ให้อยู่ด้วยปีติและปราโมทนะศึกษาธรรมนั้นอยู่ไปเรื่อยๆนะอยู่อย่างนั้นต่อไปดีแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องว่าจะฉาสับแช่งตัวเองว่าจะต้องตายเลยให้ทรงกุศลธรรมไว้ด้วยซ้ำถ้ามีปีติปราโมทก็ทรงตรงนั้นไว้ด้วยซ้นะํำอันนี้เ ป, นเป็นเรื่องดีนะนะคะอันนี้ถือว่าเป็นธรรมชชั้นลึกเลยไหมะคะเนี่ยอันนี้ทําให้ไปสู่อมตะได้เลยนะคื อ, คอมรรคผลที่ผ่านไว้ไง ธรรมะคือความไม่ตายปนิพันธ์ก็คือไม่ตายเพราะว่าไม่มีเกิดอีกกไม่มีอะไรนะคะออดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายนี้แค่ครับเดียวได้สมาธิด้วยแล้วก็ได้เข้าถึงธรรมซึ่งถ้าอย่างไรเดี๋ยวไปกราบสนทนากับท่านพบูลในเรื่องอื่นต่อละถ้ายังไงสรุปสุดท้ายท่านอาจจะสรุปให้อีกทีนึงก็ได้ดิฉันกําลังสงสยัยสนใจ เรื่องที่เขาพูดกันมาหลายวันแล้วเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรคะกล่าวขวัญกันไปทั่วมันคนถ้าไม่รู้เนี่ยคุยกับใครไม่รู้เรื่องก็คือเรื่องนอสตราดามุสเมืองไทยที่ออกมาทำนายว่าวันสองวันเนี้ยอยู่ในห่วงเวลานหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันจะเกิดหายนะภัยในประเทศนะค ะ, ะเป็นภัยธรรมชาติฟังแล้วก็เช่นเป็นห่วงคน ท, ที่ที่ฟังแล้วตกใจนะคะ <laughs> ภัยถ้าพูดถึงภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมฟ้าร้องฝนตกหรือว่าเป็นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งเรื่องนี้พระเจ้าก็เคยเคยตรัสไวยเปรียบเทียบเอาไว้แต่ถ้าถ้าเราจะกลับมาส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่พระเจ้าจะพยายามที่จะเชื่อมเรื่องนี้ให้เข้าด้วยกันว่าเราควรจะทําจิตยังไงแตมีสมัยหนึ่งตอนนั้นพระเจ้าเประเตนิโกสนตอนนั้นช่วงท้ายพุทธกาลละพระเจ้าก็อายุจะ80ดสิบละ พระเจ้าปรียญดิโกสนก็แกงง่งอมเต็มที่แนะตอนนั้นก็เป็นสมัยที่พระเจ้าเปรียญดิโกสนเนี่ยครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วจุลรทวีทั้งหมดนะครองความเป็นใหญ่ยิ่งหมดเลยก็เลยไปถามพระเชชา ว, ว่าเอ๊ะจะต้องทําอะไรต่อไปพระเจ้าโยกตัวอย่างตรงนี้นะซึ่งคล้ายกับเป็นภัยพิบัติที่ใหญ่หลวงมากนะว่ามีผู้เขาหินผู้เขาหินนี่ไม่ใช่หินธรรมดาเป็นหินศิลาทั้งแท่งนะใหญ่ามากสูงจรดฟ้านะแล้วก็มาจากทางทิศตะวันออก เนะี่ยมันก็กำลังกลิ้งขึ้นมาบึมบึมบึมมาเนะีเจอต้นไม้บทเกี่ยงเจอหินเจอใครเจอสัตว์ไหนบทบทบ ท, บทมาหมดนะีถูกทับเล็กหมดนะีทางตะวันตกก็มีทางเหนือก็มีทางใต้ก็มีน้ําบทมาจากทั้ง4ทิศภูเขาหินใหญ่มากแนะี่ถ้าใครไม่แน่ใจว่าคุณหยมติวเคยดูเรื่องอิน i a n a Jones นะที่มันจะมีลูกหินกิ้งมาบึมบึมบึมเนี่ยนะแต่อนี้เป็นหินขนาดที่ว่าใหญ่มากเป็นภูเขาสูงเทียมฟ้าแล้วนะก็ถามพระเจ้าเประเสด็จนิโคสันว่า ถากรณีนี้เกิดขึ้นจะทำยังไงพนะระเจ้าเปรเสเ็นนิโกสนก็บอกอุย้ยมันทําอะไรไม่ได้เลยนะถึงจังหวะนั้นจะไปหากองพลมาลบหรือว่าใช้เงินยัดอะไรต่างๆไม่ได้เอ า, อางี้แล้วกันก็ต้องทําใจนี่วิธีการ ท, ทําใจทํำยังไงนะีก็คือการบราพฤติย ธ, ธรรมนอกจากการบรารมิสม่ําเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบําเพ็ญบุญ4ี่อย่างนีนะ้พอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บพระรชาาก็บอกอย่างนี้เลยบอกว่า ถูกแล้วมาประพิษนะคือความแก่ความตายเนี่ยย่อมครอบงำพระองค์นะความแก่ความตายย่อมครอบงำพระองค์ทำไมถึงบอกอย่างนั้นคุณโยมเติวเพราะว่าในภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะพูดถึงไฟไหม้น้ําท่วมเป็นดินไหวอะไรบึ้มบ้ามขนาดไหนก็าตามมันยังอาจจะมีคนรอดได้บ้างอาจจะมีคนรอดได้บ้างถูกไหมแต่ถ้าความแก่และความตายครอบงําอยู่เนี่ยไม่มีใครรอดแม้สักคนเดียว uh huh. นะคุณหนีไม่ได้เลย อย่าง<น><ะ>แล้วมันมาแน่นอนมาแน่นอนอย่างสมมุติไฟไหมอย่างเงี้ยหรือว่าแผ่นดินไหวเขาก็พยากรณ์กันมาโอ้โหพอถึงวันจริงๆโลกม่นแตกเลยบทแตกแน่นอนอีก3ปีหปีพอถึงวันนั้นจริงๆเอ๊ะมันก็ยังไม่แตกแต่อีที่แ<ะ>น่กว่ายิ่งแน่นะคือความแก่ความตายมาแน่นอนคะ่ะถ้าความแก่ความตายมาแล้วจะทํำยังไงนะพระเจ้าพระเศนที่โกศลก็เลยอุ้ยน่าจะทําอะไรไ ด, ได้นอกจากการประพฤติธรรมประพฤติสม่ําเสมอ นะสร้างกุศลมบำเป็นบุญแตนะยังยกตัวอย่างถึงว่าบางทีศัตรูมาเนี่ยเราอาจจะแต่งกองพลช้างกองพลมา้ากองพลรถพลเดินท้าไปรบกับเขาได้แต่ถ้ความแก่ความตายมาถึงปุ๊บคุณสู้อะไรไม่ได้เลยใช้กองกําลังพวกนั้นไม่ได้เลยนะหรือว่าบางทีอาจจะเอาเงินยัดนะเอาใช้หมาอมหมาที่มีมนเสกมนไร้ม น, มนทําลายฆ่าศึกแต่ถ้ความแก่ความตายมาถึงไม่ได้เลยนะก็ต่อให้คุณเป็นพระเจา้าจักรพรรดิขนาดไหน นะความตายจะมาถึงคุณเอากองกำลังมาตั้งร้อมไปหมดนะก็ตายอยู่ดีแนะนี่คือสิ่งที่รเจ้าบอกว่าต้องทำนะว่าเราจะต้องประพฤติทำประพฤติสม่าเสมอสร้างกุศลบาเพ็ญบุญสีอย่างนี้จะทำให้เรารอดได้นะรอดในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่ารอดจากจากภัยพิบัตินั้นนะแต่เราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุขอยู่ได้นั่นะตรงนี้คือสำคัญเมื่อความตายตรงนั้นมาถึงแล้ว นเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้เ no. นาะแจมอนก็เท่ากับว่าสำหรับใครจะมาพยากรอะไรอย่างไรเนี่ยขอให้รู้ว่ามันน่ากลัวไมยมันน่ากลัวแต่จะรับมือกับมันอย่างไรไม่ต้องไปรับมือเรื่องพวกนั้นรับมือกับอที่แน่กว่านั้นคือเรื่องความแก่ความตายใช่ซึ่งซึ่งเป็นภัยพิบัติที่น่ากลัวกว่าะนะมันน่ากลัวกว่าแล้วถ้าเรารับมือตรงนั้นได้นะไอ้ภัยอื่นๆนี่กลายเป็นเรื่องที่ กระจอกไปคือน้อยกว่าไปค่ะแทนที่จะตกใจกลัวทำอะไรไม่ถูกอยู่ในขณะนี้ก็หันมาประพฤติธรรมใช่ประพฤติเสมออ่าประพฤติสม่าเสมอค่ะสร้างกุศลบำเพ็ญบุญสอย่างนี้ค่ะประพฤติสม่าเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญใช่นะคะแล้วก็เนี่ยพอพูดแล้วได้คิดจริงๆก็ลืมนึกไปเหมือนกันว่าไอ้ที่แน่กว่าเนี่ยคือตายแน่ แกแน่ๆห น, นีไม่ได้ด้วยอีกต่างหากภัยต่างๆอาจจะพอนีได้ฟลุกอะไรอย่างเงี้ยนคะคะใช่ในที่ว่าเขาฆ่าคนเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังมีคนรอดนะซึ่งไอ้ความแก่ความตายนี่เป็นคนละเรื่องเลยไม่มีใครรอดเลยค่ะงั้นก็มาถึงเรื่องวันแห่งความรักได้แล้วค่ะท่านค่ะเดี๋ยว่าติดค้า ง, งตั้งแต่เมื่อวานว่าวันเนี้จะพูดเรื่องวันแห่งความรักอีกวันหนึ่งค่ะอในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าเราจะแปลให้ คือคือความรักในภาษาไทย mm. เขาก็จะใช้คําว่าเมตตาใช่ไหมถ้าเรา <Okay. S 1> จะไล่ไปตั้งแต่ความรัก อ, อย่างเช่นความรักของสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าไหร่ใช่ไหมอย่างหมาแมวมันก็ไม่รับผิดชอบกันแต่ถ้าเป็นความรักของคนที่ทูศีลก็ไม่ค่อยรับผิดชอบเหมือนกันแต่ที่ดีขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นความรักของคนที่มีศีล น, นะระหว่างสามีภรรย า, าก็ไม่ไปมีชู้ไม่มีกิ๊กอะไร ที่ดีขึ้นมาอีกก็เป็นความรักของระหว่างมารดากับบุตรมารดากับบุตรในนี้ก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์ขึ้นมาทีนี้ที่เหนือขึ้นไปอีกตรงนี้ก็จะพูดถึงความรักของพระอริยเจ้าความรักของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายตรงนี้ที่อาตมาต้องการจะไฮไลท์ว่าเขาก็จะใช้คําว่าเมตตาแทนเพราะภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะใช้คําว่าเมตตาแทนทําไม่ถึงเป็นอย่างนั้นแนวะแง่มุมที่อาตมามองเห็นก็คือว่าไอความรักที่คุณพูดถึงทั่วทไปเนี่ย มันจะเจือด้วยกามบุคลทั้ง5นะเจือด้วยความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายนะแต่พอเราใช้คำว่าเมตตาซึ่งมันคือความหมายเดียวกันนั่นแะจริงๆควรใช้คำเดียวกันด้วยซ้ำนะพอถึงพูดถึงเรื่องของเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เจือด้วยความสุขตั้งตาหูจมูกลิ้นกายดั ะ, ะนั้นประเดนที่ต้องการจะพูดถึงในที่นี้ก็คือจริงๆแล้วความรักนะหรือความปรารถนาดีเนี่ย มันมันควรจะต้องทําให้บริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นมากยิง่ง ข, ข, ข, ขึ้นขึ้นไปจนถึงจุดที่เรียกว่าไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้อง ก, กับตาหูจ ม, มูกลิ้นกายเนี่ยเราเอาออกไปได้มันก็มันก็จะดีะะมันก็จะบริสุทธิ์มากขึ้นบางกันเองเฉลิมพานค่ะงั้นความรักในที่นี้ก็คงจะต้องไกลาจากความรักที่ส่วนใหญ่คนมักจะเข้าใจกันว่าความรักมันจะต้องเกิดจากสองสิ่ง นะคะ<ม>คือเหมือนกับว่าถ้าคนก็สองคน<ม>หรือว่ามันต้องมีคนรักสัตว์คนรักอทรัพสมบัติอื<ม>แต่อันนี้จะเป็นความรักที่ถ้าคิดไปแล้วเนี่ยก็คือไม่รักอะไรเลยสิคะท่านคะเนี่ยเอป็นให้ใหนีกรรมาคุณห้าตาหูจมูกลิ้นกายเออเป็นความรัก ท, ที่ที่ไม่หวังผลไงค่ะนะคือสมมติเราที่อย่างที่คุณโยมติ๋วบอกพูดถึงต้องสองสิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งนะั้นอาจจะต้องมี เพือให้ฉันไปรักหรือว่าเขาต้องรักฉันตอบฉันรักเธอนะเธอต้องรักฉันตอบอันนี้แสดงว่าไม่บริรสุทธิ์สิสมีแต่าคุณคุณหวังคุณมีความปรารถนาแต่ในขณะที่ความรักชนิดที่ให้ได้อย่างไม่มีประมาณนะไม่มีคุณดิชั่นก็เรียกอนะันคุณดิชั่นอลเลิฟก็คือไม่หวังผลตอบแทนะนะใจของเราปรารถนาดีกับคุณไม่ว่าคุณจะร้ายคุณจะดีฉันก็ปรารถนาดีกับคุณใชคะอันนี้เป็นความรักประเสริฐแบบธรรมะใช่ดีดีกว่าบริสุทธิ์กว่าค่ะ นะคะนั้นเราก็าได้วิธีรักที่ถูกต้องแล้วอืเพื่อจะฉลองวันวาเลนไทน์ใช่แล้วโดยช่วงยิ่งอ ย, งอย่างปัญหาที่เราพูดถึงว่าภัยพิบัติต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจิตใจเราเป็นจิตใจที่มีความปรารถนาดีให้แก่กันละกันสมมติตอนที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยคนก็อาจจะแข่งแย่งกันถีบกันทําร้ายกันเนี่ยเพื่อที่จะจะเอาตัวรอดใช่ไหมถ้าจิตตรงนั้นลกเปิดคุณไม่รอดเนี่ยแต่เป็นจิตใจที่ แข่งแย่งจิตใจที่พยาบาทบัดนี่คุณไป น, นรกเลยนะคุณคุณจะไปไม่ดีนะแต่ถ้าเรามีจิตใจที่ปรารถนาดีกับสรรพสัตว์นะเราก็พยายามตะเกียกตกายเพื่อที่จะเอาตัวรอดก็ทําไปแต่จิตใจเราก็ปรารถนาดีให้กุล่นได้ได้พ้นจากทุกข์และได้มีความสุขจิตใจแบบนี้นะถ้าเรารอดมันก็รอดได้ถ้าเราไม่รอดนะเราก็ยังไปสวรรค์ดีกว่าด้วยซ้าค่ะนะคะทีนี้ดูเวลาก็สงสัยท่านจะต้องช่วยกรุนาสรุปแล้วล่ะค่ะได้ เกี่ยกวกับเรื่องความรักก็คือว่าพระพุทธเจ้ า, าก็เน้นย้ำแน่นอนล่ะว่าทําความรักของเราให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นนะคืออันนี้นเป็นอัตโนมัตินะคุณโยมดีว่าถ้าใจของเราบริสุทธิ์มากขึ้นความรักที่เรามีอยู่ในใจไม่ว่าจะใครต่อใครก็แล้วแต่ก็จะบริสุทธิ์ตามไปด้วยนะะเพราะฉะนั้นในวันนี้ในไหนเราก็พูดถึงเรื่องของภัยพิบัติต่างๆใช่ไหมก็จะมาจบด้วยในพระสูตรเรื่องนี้แหละที่พระเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าเปรีนทิโกสนเกี่ยวกับเรื่องภูเขาหินที่กําลังกลิ้งปบทปวงสัตว์มา ได้สรุปเรื่องของพระสูตรนี้เอาไว้ก็ เ, เรียกว่าเป็นปัพะโตปมสูุดนี้มาอยู่ในมัชฌิมานิกายาได้สรุปไว้เป็นคาถาทมานก็จะอ่านคาถาตรงนี้เป็นการสรุปให้ฟังพะพุทธเา ต, ตรัสไว้อย่างนี้บอกว่าผู้เขาหินศิลาใหญ่สูงเทียมฟ้ากลิ้งบทปวงสัตมาโดยรอบจากทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉะ น, นั้น มันย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตย์พวกพรามพวกแพทย์พวกสูตรพวกคนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เว้นใครใคไว้เลยมันย่ำย่ำยีเสียสิน้นณที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างไม่มียุทธภูมิสำหรับผลมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถ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 มัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้ค่ะสาธุ ค, ค่ะก็เป็นอันว่าหมดเวลาพอดีเลยกราบนรมัช ก, การขอบพระคุณนะคะเชิญผ่านส่วนฝั่งที่ครบรัและนีทั้งหมดก็คือรายการสรสนิสนทนาของวันนี้นะคะ ติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุ FM ครอบครัวข่าวแห่งนี้ดิฉัน ส, สันติน้าพง์ลาไปก่อนนะคะพุทว่าสวัสดีค่ะ